อนนะปุตุชนกับพระอริยนะธรรมุนาปุตุชนนะอาศัยจากครูกับรูปเกิดจากครูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดรูปปัญหาก็วัตตก็เกิดต่อไปถ้าพระอริยนะรู้เห็นจากสุตามเป็นจริงอันรู้เห็นรูปตามเป็นจริงรู้เห็นจากครูวิญญาณภาษาเวทนาทั้งหมดตามเป็นจริงตัญหาอันนี้ไม่เกิดเพราะท่านทำปริญญาเสร็จแล้ว เนี่ยนะทำทำปริญญาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถ้าทำปริญญาเสร็จอย่างนี้นะก็ตัญหาก็ไม่เกิดนั้นสาคัญว่ามีความรู้ที่เรียกว่าปริญญาเหล่านี้ในจักขคุเหล่านี้เท่าไหร่ที่จะให้เห็นว่าปกติตรงนี้นะคือทวารไหลของจกักรสุตัญหาเข้าไปถ้าถ้าจำอชิตะมานุปัญหาได้นะก็บอกว่ากระแส กระแสตัณหาว่า ง, งั้นเถอะกระแสตัณหาเนี่ยนะที่ที่ไหลไปทางทวารตาเนี่ยนะละเอ่อเรียกว่าเอาอะไรมากัน้นท่านบอกว่าเอาสติกัน้นพระผู้มีพระภาคบอกเอาสติกัน้นอัตถกถาที่บายว่าบวกกับวิปัสสนานะสติที่สัมปยุติกับวิปัสสนาเป็นตัวกัน้นตัณหานี้ คือกระแสตันหาพราะได้ปัจจัยปั๊บลืมตาเนี่ยนะมันก็เกิดแล้วใช่ไหมเพราะได้ปัจจัยพั๊บลืมตาเห็นก็เกิดละแต่ถ้ามีสติเรียกว่าสติปัฏฐานมีวิปัสนาในจักสุในรูปเป็นอย่างดีตันหาอันนี้ก็ไม่เกิ ด, ก, ดกระแสอันนี้บุคคลจะละหรือละนะหรือปิดหรือห้ามด้วยปัญญาอันนี้เท่ากับมัคสกถาอธิบายว่าเป็นมัคคปัญญา คือเห็นจากสุโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วอริยมรรคเกิดขึ้นหลังจากนั้นตัณหาก็จะไม่เกิดเนี่ยนะถึงไปได้สํานวนว่าเห็นอารมณ์แม้กระทั่งที่เป็นทิพกิเลสก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะอริยมรรคเนียเผาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะที่เรียกว่าทํากิจรอบรู้ทุกเผาวิปลาสในจากสุได้อย่างบริบูรณ์แล้กิเลสต่อไปก็ไม่เกิดเนี่ยนะือ คือคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าการดับกิเลสหมายความกิเลสมันดับไม่มันเกิดอยู่แล้วแล้วก็ไปดับมันคว<ช>ามจริงหาเป็นอย่างนั้นไม่เลยการเจริญพัสนาไม่ต้องรอให้กิเลสมันเกิดก่อนแล้วไปไ ป, ไปพิจารณามันช่ครับก็หมายความว่าก้อนเนี่ยแหละสร้างเหตุตั้งแต่ทําปริญญา้ทุกศาสตร์เนี่ย ม, มันก็หมายความว่าไ อ, ไอตอนนั้นตันหาอยู่ไหนก็ไม่รู้คือคือรู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่ไม่เจริญมรรคเนี่ยนะไม่เจริญวิปัสนาและมรรค ปกตแล้วลืมตาตาหนามันก็กเกิดแต่ถ้าเจริญวิปัสสนาเสร็จเบ็ดเสร็จหมดนะมันก็ไม่เกิดทีนี้ถ้าระหว่างนั้นเนี่ยไอ้ที่เรากลัวนะักกลัวหนานี่มันกลัวอะไรถึงบางทีนะไปเห็นอะไรแล้วให้กุศลเกิดเช่อนอาศัยจากสุไปเจริญกสินสมถะเกิดตลอดเลยนะจนได้ฌานแต่ถามว่ายังมีจากสุต่อไปไหม ม่เพราะไม่ได้ตัดอะไรเพราะอะไรพ่อไม่ได้ทําปริญญาในจักสูไว้เลยเครียกว่าตัดเยื่อใยในจักสูไม่ได้ปกติแล้วกิเลสนะเวลาจะเกิดนะจะเกิดในปีรุภูษาตรูปแต่ถ้าหากว่ากําจัดชั้นธาระคะในสิ่งเหล่านี้หมดแล้วกิเลสต่อไปก็ไม่เกิดแต่ทั่วทวไปท่านจะอุปมาอย่างนี้นะเหมือนกับต้นมะม่วงต้นหนึ่งเนี่ยนะต้นมะม่วงต้นนี้ ในอดีตเคยมีผลคือเคยออกลูกมาแล้วใช่ไหมแล้วก็คนก็เก็บลูกไปหมดแล้วเสร็จ แ, แล้วปีต่อไปนี่ถ้าได้อาหารอะไรหล่อเลี้ยงทั้งหมดจะออกลูกอีกแต่ว่าในระหว่างนี้นะมาใช้ยาพิษเนี่ยนะพิษบางอย่างที่ทําให้มันเฉาตายไปเลยอะ่ะพอมันเฉาตายไปแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ออกดอกออกผลไปอีกละเมื่อเมื่อเมื่อเฉาตาย เพราะฉะนั้นการทําให้ต้นไม้เฉวตายเนี่ยทำลายผลที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็บอกว่าถ้าทําลายผลในอดีตเอามันก็เก็บกินไปหมดแล้วทําลายผลอนาคตมันยังไม่ทันออกเลยทําลายผลปัจจุบันเอามันก็ไม่มีผลอะไรตอนนี้ถามว่ า, ามันเป็นยังไงอ่ะก็บอกว่าแต่ถ้าไม่ทําอย่างนี้นะมันจะออกผลอีกใช่ไหมบอกใช่อันนี้เหมือนกันจักสูเนี่ยนะถ้าไม่ลงแท้คืออารยมรคไว้ในจักสูให้เบ็ดเสร็จนะ ปกติถ้าได้ปัจจัยปับ๊บกิเลสเกิดเลยแต่ถ้าทําปริญญาไว้เสร็จถึงได้ปัจจัยกิเลสก็ไม่เกิดเนี่ยนะถ้าถ้าได้ได้ปัจจัยกิเลสก็ไม่เกิดแต่มันก็มีโอกาสย่งในเชตระพาที่ว่าที่ว่าเมื่อเกิดทันทีก็ทําปริญญาทันทีแล้วก็แต่ก็เกิ ด, กดแต่ในขณะนั้นก็ไม่ได้ทำอ่าสํานวนว่าถ้าถ้าไฟมันจะลุกนะสมมตินะมันก็ต้องอาศัยฟืนใช่ไหม อันนี้เป็นเหมือนกับฟืนไฟมันก็ลุกท่วมมาเลยมันก็เกิดจากฟืนถ้าถ้าจะดับไฟจริงๆอ่ะแก้ทำเป็นฟืนทำฟืนไม่ให้เป็นฟืนซะไฟมันก็ไม่ลุกใช่ไหมแต่ทีนี้สำหรับบางท่านเนี่ยนะท่านรู้ว่าตรงนี้ไฟมันลุกเพราะตรงนี้นะพอมันลุกแล้วท่านจึงจึงจึงเห็นโทษแล้วก็เลยคิดจะดับทำลายฟืนอันนี้ซะ นะไม่ให้มันเป็นเชื้อไฟอีกต่อไปไม่ให้เป็นเชื้อเพลิงทายังไงทาบดบเป็นผงไปลอยน้ำอะไรก็ช่างเถอะก็เขาบอกว่าท่ให้มันเป็นฟืนนะทาให้มันเป็นผงแล้วไปลอยน้ำหรือไปทําอะไรซะให้ให้มันหายไปเลยนะโดยที่ไม่ให้มันเป็นเป็นเชื้อเพลิงอีกต่อไปเนี่ยนะแต่แต่บางท่านเนี่ยหมายถึงว่าพอไฟมันลุกท่วมแล้วเห็นความเสียหายใช่ไก็เลยมามาม า, มาทำลายก่อน บางท่านเนี่ยยังไม่ได้ลุกขนาดนั้นก็ก็ทำไว้ให้เสร็จซะก่อนเห็นไหนั้นอริยมรต ก, ก็มีผลได้ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าไม่เป็นไปตามหลักการเหล่านี้นะมันจะขัดกันหมดเลยแล้วก็อริยมรกเนี่ยกิจของเขาเนี่ยเมื่อมาทำกิจเผากิเลสอ่านะทำกิจปริญญาในทุกเห็นโทษของของจากสุเป็นทั้งหมดประหารสมุททยที่มีใน จากสุแทงตลอดนิโรธเขาหมดกิจทันทีหมดหน้าที่เนี่ยนะสรุปแล้วตันหาหกนี่ยังไงยังไงมันก็เกิดผ่านไปแล้วแล้วงั้นเถอะแล้วก็เราไปนำมาไม่ใช่ว่าเราไปดับไอ้ตันหาอีตรงนั้นก็ไอ้ตันหาแนนิดไปดับมันได้ยังไงมันเกิดไปแล้วอ่ะมันผ่านไปแล้วไอ้ตันหาแนอนาคตมันก็ยังไม่ได้ทันเกิดอะไรแต่รู้ว่าถ้ามีตานะถ้าเพลิดเพลินในตาเนี่ยตันหาเกิดแน่ เนี่ยนะยนนก็ก็ตรงนี้ก็เป็นความลึกซึ้งเขบอกว่าศึกษาก็ยังเข้าใจา ย, ยากอยู่เหมือนกันปกติแล้วนะสมมุติว่าจากักษุเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้นะถ้าจะจักษุอันนี้เหมือนกับต้นไม้จักรูสมูทัยนี่เหมือนกับรากเนี่ยนะสมูทัยมันก็ออกรากมาเป็นจกักษุจักรูนี่ยมันเหมือนกับต้นไมนะ้ตันหานี่เท่ากับอะไรเป็นผล เป็นผลอนะมันมันออกลูกมาแล้วออกลูกมาเป็นตันหาเนี่ยนะผลพวงทังจากสูงออกลูกมาเป็นตัญหาที่นี้ต่อไปเนี่ยเรารู้ว่าไอ้ผลอันนี้ถ้ามันปลูกขึ้นอีกแล้วมันเดือดร้อนพันนี่นะมันพันหมามุยคันไม่ดีเนี่ยนะก็เห็นโทษของไอ้ผลไม้ชนิดนี้เนี่ยนะพอเห็นโทษก็มัดตอนต้นไม้ซะมันจะได้เลิกออกดอกออกผลสักทีหนึ่งเนี่ยนะ มันก็ก็อารยมร ก, ก็คือกระบวนการที่มาเผาเผาไม่ให้อจาจักโคอันเนี้ยออกดอกออกผลอีกต่อไปเนี่ยนะแต่ถ้าไม่ไม่เผาไม่ดอกออกดอกออกผลอ่าไม่ไม่เผาอันนี้มะก็ต้องออกดอ ก, ด อ, ก, ด อ, กออกผลออกดอกออกผลก็ปลูกขึ้นอีกเป็นจักสูอีกแต่มันจะเป็นจักสูที่ไหนอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ที่จริงเราทำปริญญามานานแล้ว ไอ้ขั้นสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงอะมาใกลๆองนั้นงออย่างนเทราคาถาเนี่ยคื อ, อคือทำมานานแล้วไอ้ปัญญาในจักสูตรท่านไม่ไม่ถือเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์เอาขนามรรคเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือว่าโอ้คนนี้นะปฏิบัติมาตั้งอายุส7มเจ็ขวบเนี่ย น, นะไปบรรลุตอนอร้อยปีหรือว่าคนนี้เพิ่งบรรลุก็ไม่เกี่ยวเอาเกี่ยวว่าเอาอริยมรรคเป็นเกณฑ์สมมติว่าเขาบอกว่าความปุตเป็นปทุชนกับพระอริยะ ต่างกันตรงไหนต่างว่าปุถุชนไม่มีทำปริญญาในจักสูเลยนะคือคือไม่มีปหานะปริญญาในจักสูเลยแต่พระอริยะท่านมีปริญญาเมื่อทำปริญญาเสร็จนะใครจะทำก่อนทำหลังไม่มีความต่างกันในการหลุดพ้นเหมือนนเถอะไม่ต่างกันในแง่ของวิมุติกับกับวิมุติของผู้ที่ทำกิจเสร็จแล้วไม่มีความต่างกันนนะ เสร็จแล้วก็เจริญมานานเจริญมามากไม่สําคัญสําคัญว่าใครทําแล้วมักเกิดเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์นะคนนี้อาจจะบวชมาตั้งยี่สาสิบปีแล้วไม่บรรลุสตีคนนี้เข้ามาบรรลุเลยไงนะก็เอาเอาอริยมรรคเป็นเกณฑ์เอาเอาพรหมจรร์ของพระผู้มีพระภาคเป็นเป็นเกณฑ์แต่ถ้าไม่ไม่ทําพรหมจรร์หรืออริยมรรคให้เกิดในจักสู่นี้รู้เลยว่าตัณหาในเกิดที่ ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะจักสุโดยปกตินะถ้าจากักขุเหล่านี้เป็นของดีเรียกว่าเป็นปิยรูปสาตรูปอะไรเกิดตัหาเกิดถ้าเป็นจักูุนี้เป็นอะปิยรูปอะสาธรูปอะไรเกิดโทสะเกิดสิ่งเหล่านี้เป็นสังขาร ผู้ไม่พิจารณาเหตุเกิดความดับอาสสท่าอาทีนวานิสรณะเป็นโมหะเนีย่ยนะก็อันนี้ราคะอันนี้โทสะอันนี้โมหะเนีย่ยนะกิเลสก็บริบูรณ์แล้วก็เมื่อเป็นสังขารเป็นวัตถุของวิจิกิจฉาเมื่อเป็นสังขารเป็นวัตถุของทิฏฐิเนี่ยนะอนุสัยก็จะเกิดด้วยอาการอย่างนี้ เนี่ยนะอนุสัยก็เกิดเสร็จแล้วปีรูปสาตรูปนะถ้าราคาเกิดบริขารเขาจะมาเลยคือมานะเนี่ยนะแต่ถ้าทำปริญญาอย่างนี้เสร็จนะกิเลสเหล่านี้ที่ควรเกิดแบบนี้ก็ก็ไม่เกิดเนี่ยนะถ้าทำกิจเสร็จแต่ถ้าผู้ทำกิจไม่เสร็จหรือไม่ได้ทำกิจเลยจากสู่บริบูรณ์ก็เนี่ยราคามานะถ้า มันเริ่มพร่องนะเห็นจักมันค่อยดีแล้วก็โทสะเนีย่ยนะความเป็นสังขารก็ไม่รู้เหตุเกิดความดับก็โมหะก็สงสัยเอ๊ะจากขู่ที่ใครสร้างมากันแน่เนี่ยเอ๊อดีตเคยมีไหมอานาคตจะมีหรือเปล่าเนี่ยนะก็วิจิกิจฉาเข้าไปหรือถ้าไปบอกเออนี่นะถ้าแกมีตานะแกเอาไปดูก้อนอิดก้อนหนึ่งนะนี่ทําให้บริสุทธิ์นะอันนี้ก็เป็นทิฏฐิเนี่ยนะหรือไปสําคัญว่าไออัตตานี่มันสิงอยู่ในจักสูนี่นะ อันนี้ก็เป็นทิฏฐิอีกนะถ้ามีจักษุอยู่นะถ้าไม่แทงตลอดอริยมรรคนะมิจฉา ท, ทิฏฐิทั้งหลายทั้งมวลก็จะเกิดขึ้นถ้าถ้าไม่ทำกิจเอาไว้ให้ให้เบ็ดเสร็จให้เต็มเปี่ยมและบริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นจึงจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการทำปริญญาถ้าไม่ทำนะเพราะอะไรจักษุบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีแต่ยังไงเสียก็เป็นสังขารถือว่าเป็นที่ตั้งของโมหวิจิกิจฉาและทิฏฐิ ทีนี้เมื่อมีทิฏฐิขึ้นมาเนี่ยผลของทิฐิก็จะเกิดข้อปฏิบัติต่างๆในโลกโลกนี้นะมีจักสูตนะก็ก็เอาจักสู่ไปไปทําเป็นข้อปฏิบัติหลากหลายนะบางพวกบอกว่ามันต้องดูดวงอาทิตย์อย่างเดียวบางพวกไม่ได้ต้องไปดูอย่างนั้นดูอย่างนี้นะจักสู่นี้เป็นที่มาของอ่าสีละพัตตุปาทาน นะเป็นที่มาของทิฐิเกือบทุกชนิดก็น้อยคนนักที่จะรู้ว่าข้อปฏิบัติขอ ง, ขอ ง, ของคําสอนที่ถูกต้องที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์คือการมารอบรู้จักสุจนไม่เห็นว่าจากสู่นี้เป็นปิยรูปสาตรูปไม่เป็นอปิยรูปอาสาตรูปมองเห็นรู้เหตุเกิดความดับอสาธ า, าจนอริยมรรคเกิดนะถ้าลำพังทั่วๆไปถ้าไม่อาศัยคําสอนเนี่ยไม่มีใครมองออกอยู่แล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใครคิดอยู่แล้วว่านี่คือทางออกจากวัตถุ ยังไม่มีหรอกมนก็อะไรพปกติใช่ไหมพอมันดีก็เพลินไปถ้าไม่ดีก็เดือดร้อนไปอะไรไปแต่จะไม่มีข้อปฏิบัติใดที่มากําหนดรู้ทุกอันนี้นะแล้วละวิปปะถ้าคุณปกติแล้วทุกอันนี้มาจากสมุทยัยถ้าคุณไม่กําหนดรอบรู้นี้มันเป็นที่ตั้งของตันหาตันหาอันนี้นําเกิดต่อไปเนี่ยนะก็จะไม่รู้ก็จะไม่ทํากิจเหล่านี้เมื่อไม่ทํากิจเหล่านี้เขาเรียกว่าอัสุตวาปุถุชนโหน่เนี่ยนะ ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะก็จะมีอะไรก็มีแต่ทุกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างนี้ถ้าว่าเราจะใช้คำว่าจะทำปริญญาเพื่อให้มักเกิดอย่างนี้นะเราไม่ได้กล่าวว่าละกิเลสได้ดีนะครับเพื่อให้มักเกิดแล้วกิเลสจะไม่เกิดก็ถ้าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ก็ถามว่ากิเลสที่ละเนี่ยมันหมายละกิเลสอะไรสรุปไปง่ายๆว่า และกิเลส ท, ที่มันได้ปัจจัยปกติแล้วปุถุชนนะถ้าได้ปัจจัยและกิเลสเกิดถ้าเจริญมัจกําหนดรู้ทุกละวิปลาสได้หมดคือคือไม่ได้มีความสําคัญผิดอะไรในจักรสุเลยก็ก็ดับได้ตั้งคําถามนิดหนึ่งว่าที่ที่จกักรุเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเนี่ยมันเพราะอะไรคือเพราะมีวิปลาสในจกักรุว่าให้ตรงเลยนะ เพราะมีวิปลาดในจกักรสูนั่นเองคือเพราะยังถอนวิปลาดในจกักรสูไม่ได้แต่ถ้าผู้ที่ถอนวิปลาดว่าหนึ่งนะั้นนิจจากวิปลาดไม่เคยมีความสําคัญว่าจากักรสูนี้ที่อย่างไรเลยไม่เห็นว่าจากักรสูเป็นสุขไม่เห็นว่าเป็นอัตตาหรือไม่เห็นว่าเป็นความงามอะไรเลยก็ถอนอตันหานี้ได้แต่ปกตินะสัตว์ก็จะอะไรในผลอันนี้อีกถ้ามันไม่ออกดอกออกผลอีกก่ก็สมมตินนะถ้าดูหนังแล้วตันหาไม่เกิดนี่ก็ เสียใจเองนะโอเเ้ยเสียค่าบัตรไปตั้งเยอะแล้วกิเลสไม่เกิดอีกต่างหากนั่นก็เสียใจอีกนะหรือไปซื้อตัว๋วดูอะไรสักอย่างนะแล้วไม่ชอบตัญหาไม่เกิดอีกก็เดือดร้อนอีกแล้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ปุตุชนกับพระอริยะมันขัดกันโดยประการชนี้แล้วเนี่ยนะไปเรียกว่าเป็นค่าศึกกันเลยเนี่ยนะ <c oughs> ดจ้างให้นางปอเลยขอโทษนะคะที่ไปแก้แาากล้วเช่อาพรมายที่อยู่นี่ะคะอืมาเลย น, นี่เนะคะอืม อ, อ่ะนะแล้วถ้าถามว่าไงก็ที่าอยากฟัง่งี่ว่ามันตรงไหนเี่ยคือเรามาจับไปฟังแล้วฟังไคือเรื่องของเรื่องก็คือพระไอสุนทรสมุทรนี่นะสุนทรสมุทรถ้าสุนทรสมุทรนี่เป็นคนรูปงามตอนหลังท่านก็มีศรัทธาแล้วออกบวช เนี่ย น, น, น, นะก็ก็ก็ <นะ S 2> คือเช่าอ่านั่นแหละก็คืออนางโสเพณีเนี่ยไปเช่าไว้จริงๆริ <c oughs> ก็ไปเช่าไปเช่าแล้วก็นิมนต์ให้พระไปฉันเนี่ยนะวันแรกก็ฉันชั้นล่างหน่อยหนักๆเข้าก็ให้เด็กๆเนี่ยนะมามากวนมากๆก็เลยไปนิมนต์ฉันชั้นเจ็เนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วก็ปิดประตูหมดเลยนะก็ก็เกิดอย่างที่คุณนิราวันนั่นนะ เสร็จแล้วท่านก็ปกติเป็นผู้ที่เจริญวิปัสนาค่อนข้างมากอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นเจริญวิปัสนามากพอพอเห็นเขาไม่มีผ้าก็สังเวชมากเลยสังเวชวัตถุของท่านนะพอสังเวชวัตถุเกิดก็ตั้งความเพียรใช่ไหมก็กำหนดรู้ทุกละสมุทัยก็ทำมารยาททั้งสี่ให้เกิดแล้วก็หาะนีไปเลยอหะหนีไปก็ก็บอกว่า มีอยู่องค์เดียวที่เหลือนี่ก็เรียบร้อยหมดคือปกติโบราณแล้วก็เขาก็ไม่ได้นิมนต์เป็นบินทบาทเขาก็นิมนต์ไปเป็นองค์เป็นองกันเขก็ก็เหมือนกับบินทบาทในเมืองอ่ะนะก็บางบ้านก็อาจจะนิมนต์ไปฉันก็ไม่ได้คิดอะไระนะ ร, รูปนี้ท่านก็ไม่ได้คิดอะไระนะเพราะท่านก็ไม่ได้คิดอะไร แต่ทีนี้พื้นฐานแล้วท่า น, นชอบอร่อยๆท่านก็ <c oughs> เห็นโทษของราษสตันหามมากเลยนะสังเวกะวัตถุเกิดขึ้นเจริญวิปัสสนาก็บรรลุเลย <c oughs> แต่ก็มีกรณีเดียวกันในสมัยพุทธกาลเนี่ยมากมากพอสมควร <c oughs> ท่านท่านถือว่าการเข้าไปบินทบดีก็เหมือนกับเข้าสนามรบดีๆนี่แหละท่านว่างั น, <c oughs> นั้่เน่ก็ดูไหมครับ คัสรุปเรื่องนี้คุณลาวันถามคล้ายๆคุณบุญมีเลยเวป็นเรื่องมที่าเรื่องนั้นาะ่เอาเรื่องทีแล้วมาเนี่ยลบไปเดี๋ยวนี้ก็สรุปว่ามักที่เกิดนั่นคือดับตันหาในปัจจุบันคือคือยังไงดับตันหาที่ควรจะเกิดใช้คำอย่างนี้ดีกว่าอะอย่างงี้นะว่า คือเราเราต้องมองว่าตัณหาไม่ได้เกิดรออ น, นันสมนุนทสมุนของมานึกจะนึกชอบผู้การเนี่ยเมื่อจกักขรูปจกักขูวิญญาณภาษาเวทนาเกิ ด, ดตัณหาจึงเกิดวิญญาณรูปอะไรเนี่ยอยู่เกิดหรือเปล่า <c oughs> มีไหมมีมีในทมรรทั้งสามหรือเปล่าเรื่องวั <c oughs> โธเรื่องอารมณ์เรื่องวิญญาณ พอพอพอในระดับนี้แล้วเขาไม่ได้ไม่ได้มุ่งที่ตรงนั้นละไม่ต้องมุ่งสมมตินนะว่าว่าโดยรวมๆนะจากสุมาเกิดอะไรรูปจากครูวิญญาณแล้วก็ภัสสะเวทนาปกติก็ควรจะเป็นทีนี้ ไอ้ธรรมะเหล่านี้ถ้าว่าโดยตรงเขาเป็นธรรมะประเภทเปรีญยญธรรมเป็นธรรมะที่ต้องเข้าไปรอบรู้ไม่ใช่ไปเจริญไม่ใช่ไปละไม่ใช่ไปอะไรโด ย, โด ย, โ, ดยโดยกิจนะกิจเขามีอย่างนี้เพราะนกิจของเขาก็คือหนึ่งยาตะสองตีรณะสามก็มุ่งประหารเห็นไหะ นีที่ที่ผู้ที่เจริญเนี่ยนะก็คือหนึ่งอาศั ย, ยนะศีลเป็นบาทเนี่ยนะอาศัยศีลเป็นบาทพอมีศีลเป็นบาทแล้วมาอบรมสมะถะปกตินะคนที่แพ้ทางตามากๆสมถะแพ้ทางตาหมายคือว่าถ้าแพ้ทางตาทางโลกมันระคายเคืองใช่ไหมคนที่แพ้ทางตาทางธรรมะคือเนี่ยผลเนี่ยอันนี้มันเกิดมาก ทังก็เจริญอสุภะเป็นอัธยาศาัยอยู่แล้วแต่รู้เลยว่าที่แพ้เนี่ยรูปมันก็เป็นรูปอย่างนั้นวันยังค่ําแต่เนื่องจากมาจากอันเนี้ยคือคือจากสูนเนี่ยนะอันนี้นี่เรากําลังเน้นที่จากสูนนะจริงธรรมะหมวดอื่นก็มีแต่นี้เราเน้นที่จากสูว่าจากสูนี้เหมือนกับอะไรเรือนว่างเรือนว่างรูปเหมือนกับเป็นโจรอันนี้ถูกปล้นหมดตัวไปแล้ว นะก็ก็รู้ว่าถ้าเวลาจะเข้ามาเนี่ยโจรจะเข้ามาก็เข้ามาทวานนี้ทีนี้พื้นฐานชั้นต้นท่านเจริญศีลโดยที่สุดแม้อินทร์สังวรนะกิเลส ธ, ธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยจะไม่เกิดถ้าเป็นเอาตัวอย่างชั้นมาตรฐานเลยนะพระพระสมัยโบราณะกิเลสท่านเกิดน้อยมากเนี่ยนะ ด้วยอนุภาพของศีลของท่านท่านเห็นอะไรนี่ฮีโอตา ป, ปะท่านมีกําลังมากอย่างหนึ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งอสุภกรรมฐานท่านท่านเป็นเยี่ยมเนี่ยนะก็ก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าโดยชีวิตของท่านจริงๆแล้วกิเลสไม่หมักหมมเนี่ยนะเป็นคนที่เบาบางมากกิเลสเบาบางทีนี้ไออาศัยพื้นฐานจากกิเลสเบาบางเนี่ยท่านมาเจริญอ่านะเช่นเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิไม่ได้สําคัญว่าจักสุหรือ รูปหรือนี่เป็นเป็นใครแล้วก็เป็นของใครก็เห็นเป็นอะไรเห็นเป็นจากสู่เห็นเป็นรูปเห็นจากขูวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ใครของใครอันนี้แหละเรียกว่าที่ถี่วิสุทธิทีนี้ท่านก็มาตั้งกําหนดถึงปัจจัยของจากสู่ว่าจากสูนี้มาจากปัจจัยอะไรเนี่ยนะว่าตรงๆหลักๆเลยเราที่เรากําลังพูดถึงก็คือตันหาใน ก่อนเนี่ยถือว่าเป็นเหตุสําคัญของจากสุอาหารในพบนี้เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะแล้วก็มหาพูดเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะมหาพูดสี่จากสมุทฐานสี่เป็นถือว่าเป็นตัวมาเข้ามาหล่อเลี้ยงมาอุปธรรมนะแล้วก็ตันหาแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือกรรม ด้วยนะแล้วก็อีกนายหนึ่งเ่าบอกว่าอุปาทานด้วยนะอุปาทานแล้วก็อวิชชาเดี๋ยวผมขอถันิดนึงในขณนะที่กาลังพิจารณาอยู่อย่างนี้ตั้งตั้งโจทย์ขึ้นมาโดยเป็นในหนังสือนี้หรือว่าของจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาเือพูดถึง ข้อปฏิบัติโดยทั่วไปแล้วเป็นอย่างนี้นั่นสิคนระับข้อปฏิบัติเป็นอย่างนี้แล้วแล้วโจทย์ที่มันเกิดขึ้นแล้วโจทย์จริงจริงหโจทย์โจทย์คือโจทย์โจทย์คือถามว่าโจทย์จริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ถ้าโจทย์จริงต้องเป็นตันหาในปัจจุบันใช่อไรนะโจทย์จริงคือตันหาในปัจจุบันใช่แล้วกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนเค่อยๆฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง